คำขออมุรหาวิไนและกรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงให้อมุรหาวิไนแก่ภิกษุนั้นผู้หายหลงแล้วก็แลสงพึงให้อมุรหาวิไนยอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พันษาทั้งหลาย นั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายภิกษุทั้งหลายโจทย์กระผมด้วยอาบัติที่กระผมผู้วิกลจริตมีจิตแปรปลวนประพฤติละเมิดแล้วว่า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 กระผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้วภิสษุทั้งหลายแม้กระผมกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังโจ์กระผมอยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านี้ท่านผู้เจริญกระผมนั้นหายหลงแล้วขออมุรหาวินยกับสงพึงขอแม้ครั้งที่สองละพึงขอแม้ครั้งที่สามละ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 ภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุนั้นด้วยอาบัตที่เธอผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดแล้วว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นป่านี้ภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกระผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมาย ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายกระผมระลึกอาบัต้นั้นไม่ได้กระผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้นก็ยังโจทย์ภิกษุนั้นอยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านนี้ภิกษุนั้นหายหลงแล้ว ขออมูระหววิไนกับสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วสงฆ์พึงให้อมูระหววิไนแก่ภิกษุนั้นผู้หายหลงแล้วนี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุนั้นด้วยอาบัตที่ภิกษุนั้นผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดแล้วว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านนี้เธอกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกระผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมาย ทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายกระผมระลึกอาบัตนั้นไม่ได้กระผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้นก็ยังโง์ภิกษุนั้นอยู่ตามเดิมว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านี้ภิกษุนั้นหายหลงแล้วขออมูลหาวินัยกับสง สงให้อมูรหาวินยัยแก่ภิกษุกชื่อนี้ผู้หายหลงแล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้อมูรหาวินัยแก่ภิกษุชื่อนี้ผู้หายหลงแล้วท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงแม้ครั้งที่สองข้าพาเจ้ากล่าวความนี้ว่าละแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่า ละอมูรหาวิไนสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้ผู้หายหลงแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอาทิกรระงับแล้วระงับด้วยอะไรด้วยสัมมุขาวินัยกับอมูรหาวิไน ในสัมมุขาวิันนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าสงความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินาันความพร้อมหน้าบุคคลในอมูระหาวิันนั้นมีอะไรบ้างมีกิริยาความกระทาความเข้าไปความเข้าไปเฉพาะความรับรองความไม่คัดค้านกรรมคืออมมระหวิไนอันใด นี้มีในอโมรหะวินัยนั้นภิกษุทั้งหลายอธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทำหรือฝืนต้องอาบัตปาจิตตีที่หรือฝืนผู้ให้ฉันทะติเตียนต้องอาบัตปาจิตตีที่ติเตียน